ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องความสุขของนานามีครอบครัวของผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่และบุตรสาวแสนน่ารักอีกคนหนึ่งชื่อว่านานานานาเป็นบุตรสาวที่พ่อแม่ของเธอรักตัางแก้วตาดวงใจอะไรที่เป็นความสุขของนานาพ่อกับแม่ก็จะสรรหามาให้แม้จะดูเหมือนเป็นเด็กที่ถูกตามใจ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 ซึ่งก็ทำให้พ่อแม่ของเธอมีความสุขมากจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ12ขวบของนานาพ่อกับแม่จึงถามเธอว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญหนูอยากจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่มีรอยยิ้มของเด็กมากมายมาร่วมฉลองกับหนูด้วยค่ะนานาบอกพ่อกับแม่พร้อมรอยยิ้มหวานฉ่ำซึ่งกลมเอาทั้งหัวใจของพ่อและแม่ของเธอไว้ได้ทั้งหมด ได้สิจะลูกพ่อกับแม่จะจัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ให้กับหนูและเชิญเพื่อนๆนที่โรงเรียนมาร่วมงานนี้ด้วยพ่อของนานารีบสนองความต้องการของบุตรสาวแต่นานาไม่ได้ต้องการแบบนี้เธอจึงกล่าวค้านว่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหนูไม่ต้องการฉลองกับเพื่อน เ, อน เ, อนเื่อนที่โรงเรียนเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนล้วนมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้ง่งพร้อมอยู่แล้ว พวกเขาอาจจะยิ้มและหัวเราะที่ได้ร่วมสนุกในงานแต่นั่นไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่อยากจะยิ้มจริงๆหนูอยากเห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่อยากจะยิ้มแต่ไม่เคยได้ยิ้มต่างหากล่ะคะพ่อกับแม่เข้าใจในสิ่งที่นานาพูดทันทีด้วยความเป็นคนอบอ้อมอารีนานาจึงอยากมอบความสุขในวันเกิดของเธอให้คนอื่นๆด้วยนั่นเองดังนั้นพ่อกับแม่ของนานา จึงติดต่อไปที่บ้านเด็กกําพร้าแห่งหนึ่งเพื่อขอจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แก่นานาที่นั่นซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกําพร้าก็ตอบรับกลับมาอย่างยินดีดังนั้นครอบครัวของนานาจึงช่วยกันจัดเตรียมข้าวของและขนมมากมายให้เพียงพอแก่เด็กกาพร้าที่นั่นเมื่อไปถึงมีเด็กมากมายยืนรออยู่แล้วหลังจากจัดสถานที่เสร็จงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นตายแล้ว แม่ของนานารัองลัน่นฉันหยิบเทียนไขวันเกิดขาดไปสามเล่มแน่ทำไมคุณไม่รอบครอบเลยนะนานาอายุครบสิบสองขวบวันนี้แต่คุณกลับเอาเทียนมาแค่เก้าเล่มลูกต้องเสียใจแน่ที่มีเทียนปักอยู่บนเค้กของแกไม่ครบแต่นานาเดินมาได้ยินเข้าพอดีเธอจึงเข้าไปหาพ่อกับแม่แล้วบอกอย่างอารมณ์ดีว่า <S <S อย่าทะเลาะกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ เรื่องแค่นี้ไม่ทำให้หนูเสียใจหรอกค่ะดังนั้นพ่อกับแม่ของนานาจึงเลิกต่อว่ากันและหันไปบอกเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพภ้าว่าถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็พร้อมแล้วเริ่มงานเลี้ยงกันเลยเถอะค่ะเอาละ่ะนานาเตรียมอธิษฐานและตัดเค้กนะลูกแต่เจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพ้าคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นขัดจังหวะและกล่าวอย่างเกรงอกเกรงใจว่า เออขอความการุณาคอยอีกประเดี๋ยวได้ไหมคะยังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะวันนี้แกงองแงแต่เช้าไม่ยอมออกจากห้องเลยแต่มีเจ้าหน้าที่ไป ร, รับตัวแกมาแล้วช่วยรออีกนิดเถอะนะคะโมโมแกไม่เคยได้เห็นงานแบบนี้ไม่เคยได้กินขนมเค้กนี่เป็นงานเลี้ยงครั้งแรกในชีวิตแกทันทีที่พูดจบเจ้าหน้าที่อีกคนก็จูงโมโมเดินเข้ามาในงาน ดูแวบแรกใครๆก็รู้ว่าโมโมไม่เต็มใจที่จะมางานนี้นะักหน้าของเธอบิดเบี้ยวเหมือนคนเจ็บทรมานและแววตาของเธอดูไม่เป็นมิตรกับใครๆเลยแต่ทันใดนั้นเองเมื่อสายตาของโมโมหันไปเห็นขนมเค้กแสนสวยปักเทียนก้าวเล่มตั้งตระ n g g อยู่ตรงหน้าสีหน้าและแววตาของโมโมก็เปลี่ยนไป ใบหน้าที่เคยบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวของโมโมบัด น, นี้กับยิ้มแฉ่งดวงตาของเธอก็เปล่งประกายสดใสผิดจากเมื่อครู่เหมือนคนละคนทุกคนรู้ได้ยังไงคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดครบก้าขวบของหนูหนูขอตัดเค้กเลยได้ไหมคะโมโมร้องอย่างดีใจยิ่งเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพ้าได้ยินโมโมพูดอย่างนั้นก็มองหน้ากันเลิกลากในที่สุดเจ้าหน้าที่ ซึงได้ขอให้ครอบครัวของนานารอโมโมก่อนเมื่อครู่ก็ตัดสินใจเดินไปหาพ่อและแม่ของนานาและพูดอย่างอึกอักว่า <_ letter> ได้โปรดเธอคะ่ะได้โปรดมอบเ ค, ค้กก้อนนั้นให้แก่โมโมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่โมโมไม่เคยยิ้มเลยนี่เป็นครั้งแรกที่แกยิ้มได้เพราะฉะนั้นได้โปรดให้โมโมได้ตัดเ ค, ค้กและคิดว่าพวกเราจัดเตรียมทุกอย่างนี้มาเพื่อแกเถิดนะคะพ่อกับแม่ของนานาได้ฟังอย่างนั้น ก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ขอมากเกินไปพวกเขาตั้งใจจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้แก่นาน า, นาบุตรสาวสุดที่รักและอุตส่าห์นึกถึงเด็กๆที่นี่แต่ทำไมคนที่นี่ถึงกล้ามาบอกให้พวกเขาเปลี่ยนไปทำเช่นเดียวกันนี้ให้กับเด็กอีกคนหนึ่งได้อย่างไรก็ตามไม่ทันทีที่พ่อและแม่ของนานาจะกล่าวปฏิเสธนานาก็พูดขึ้นมาทันทีว่าได้สิคะ หนูจะมอบเค้กวันเกิดของหนูให้แกเด็กคนนั้นนอกจากนั้นหนูก็คิดว่าเราควรร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอโดยเอ่ยชื่อของเธออีกด้วยเจ้าหน้าที่ได้ยินนานากล่าวอย่างจริงใจเช่นนั้นก็รู้สึกยินดียิ่งเธอกล่าวขอบคุณนานาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการใหญ่ฝ่ายพ่อกับแม่ของนานาก็ได้แต่ยืนนิ่งพร้อมทั้งสนเทใจในการตัดสินใจของนานาเป็นอย่างยิ่ง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 ไม่เป็นไรนะนานาลูกรักของพ่อเดี๋ยวพ่อจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ลูกใหม่และแม่ก็จะทำเค้กก้อนใหญ่กว่าเก่าให้ลูกด้วยแต่นานาไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เลยเธอยิ้ม น, น้อยๆให้กับพ่อแม่ก่อนจะตอบว่า ไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะหนูได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่ยิ้มยากที่สุดด้วยเค้กวันเกิดของหนูหนูมีความสุขมากเหลือเกินกับรอยยิ้มของเด็กคนนั้นและนี่ก็ถือเป็นงานฉลองวันเกิดที่วิเศษที่สุดของหนูแล้วคะ่ะเธอทั้งหลายเธอพอจะเข้าใจไหมว่าเพราะอะไรเด็กหญิงหน้านาจึงมีความสุขเมื่อเธอต้องเสียเค้กวันเกิดของเธอให้แกเด็กคนอื่นไป ถ้าเธอเป็นนานาเธอจะมีความสุขอย่างเด็กคนนี้หรือรู้สึกเศร้าใจที่สูญเสียสิ่งที่เธอเองก็ต้องประสงค์ไปในกรณีของเด็กหญิงนานาเพราะเธอรู้จักการให้อย่างแท้จริงดังนั้นเธอจึงมีความสุขที่การสูญเสียของเธอทำให้อีกคนหนึ่งมีความสุขยิ่งกว่าเนื่องจากคนเรานั้นหากทำอะไรเพื่อตนเองเพียงฝ่ายเดียวอยู่ตลอดเวลา <impairment> ก็มักจะไม่เคยลิ้มรสแห่งความสุขที่แท้จริงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราก็จะได้รู้จักกับความสุขแท้จริงซึ่งมีมากกว่าถ้าเธออยากมีความสุขที่แท้จริงบ้างเธอก็ควรรู้จักการให้อย่างที่นานาได้รู้จักมาแล้ว สา